สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีมานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในมัทธิวบทที่เจ็ดข้อที่เจ็ดถึงข้อสิบสองชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้านะครับองค์อุปธรรมพระเจ้าทรงเป็นองค์อุปธรรมของเรานะครับพร ะ, พระเจ้าในคช้าวันนี้อยู่ในมัทธิวบทที่เจ็ดข้อเจ็ดถึงข้อสิบสองครับมัทธิวบทที่เจ็ดข้อเจ็ดถึงข้อสิบสองโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาเหตุฉนั้นถ้าทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปราญจนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั่นคือธรรมบัญญัติและคําสั่งสอนของบรรดาผู้เผยโภชนะทีนี้นงครับบทที่ห้าบทที่หกบทที่เจ็ดนั้นของพระธรรมวิชิลเรารู้นะครับว่าเป็นคําเทศนาบนภูเขา เมื่อเรารู้นะครับว่าเป็นคำเทศนาคนภูเขาผมขอทบทวนนะครับในบทที่ห้านั้นก็ย้าเน้นเรื่องการรักษาธรรมบัญญัติครับในบทที่หกก็ย้าเน้นเรื่องการอย่าทําศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นและในบทที่เจ็ดเขพูดถึงเรื่องการกล่าวโทษและในตอนนี้พระเยซูก็สอนเรื่องของการที่พระเจ้าทรงเป็นองค์อุปถัมป์นะครับพระเจ้าทรงเป็นองค์อุปถัมป์ การเป็นองค์อุปถัมภ์นั้นนะครับเราจะพบได้จากโอนันตของพระเจ้าแต่ก่อนอื่นนะครับให้เราท่องข้อคํามที่ด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่เจ็ดข้อที่เจ็ดหลายหลคนท่องได้โดยเฉพาะเด็กทวีครับเชิญท่องพร้อมกันนะครับจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะ แล้วจะเปิดให้แก่ท่านพี่น้องครับกริยาคําว่าขอหาและเควาะในไวยากรณ์ภาษากรีกนั้นแสดงถึงการกระทําที่ต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอนการกระทําที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับผมขอกล่าวย้ํานะครับว่าที่นี่บอกว่าจงขอขอขอขอไปเรื่อยๆ อ, อย่างต่อเนื่องจงหา หาหาหาไปเรื่อยๆอย่างตอนนง่อเนื่องจนเคาะเคาะเคาะเคะไปเรื่อยๆอย่างต่อเ น, นื่องจนกว่าเราจะได้จนกว่าเราจะพบจนกว่าเราจะเห็นทางหรือเห็นประตูที่เปิดออกอย่างครับเมื่อเราทั้งหลายไม่หยุดยั้งในการทูลขอพระเจ้าในการหานะครับในการเคาะพระเจ้าก็จะทรงประทานให้กับเรา ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่คําตอบที่เราต้องการก็ตามโปรดฟังอีกครั้งถ้าเราทั้งหลายไม่ได้หยุดยั้งที่จะทูลขอพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงโปรดประทานให้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่คําตอบที่เราต้องการก็ตามพี่น้องครับเมื่อเราสแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยการอธิษฐานอยู่เสมอเมื่อเราอธิษฐานนะครับทูลขอเมื่อเรา มีท่าทีแห่งการแสวงหาเมื่อเราผ่มใจลงเคาะเพื่อที่จะครอคอยให้ทางออกหรือประตูที่เปิดออกที่มาจากพระเจ้านั้นเปิดออกมานะครับด้วยการผ่มใจแสวงหาน้ําแทยของพระเจ้าโดยการอธิษฐานพระองค์ก็จะทรงโปรดสําแดงคําตอบแก่เราแม้ว่าคําตอบนั้นอาจจะไม่ใช่คําตอบที่เราต้องการก็ตามแต่ในที่สุดพระเจ้าจะเปิดประตูแห่งคําตอบ นะครับจากการขคาของเราพระเจ้าจะให้สิ่งที่เราหานะครับพบนะฮะหรือเราพบสิ่งที่เกินความคาดหมายของการหาของเราหรือแม้กระทั่งขอครับเรารู้ว่าหลายครั้งทีเดียวเราได้นะครับสิ่งที่เกินเกินกว่าที่เราจะคิดได้เกินความเข้าใจนะครับสิ่งเหล่านั้นครับในที่สุด นำสั้นที่สุดนำความปราบลื้มใจนำความชื่นชมยินดีมาให้ในที่สุดพี่น้องครับสิ่งนั้นนะครับประตูนั้นของที่เราพบนั้นจะเป็นประตูเป็นสิ่งที่เราพบและเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงพอพอดีเหมาะเจาะดีที่สุดสำหรับเรามีหลายคนนะครับตอนที่ยังเป็นเด็ก คุณพ่อคุณแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในโบสถ์นั้นสอนบาว่าถ้าพระเจ้าปิดประตูไหนพระเจ้าก็จะเปิดประตูอีกประตูหนึ่งให้กับเราและถ้าหากว่าเราเข้าไปในประตูที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราแล้วทางของเรานะครับก็จะดีที่สุดชีวิตของเราก็จะก้าวขึ้นไปถึงจุดที่สูงที่สุดด้วยเหตุ น, นี้เองครับหลายเรื่คนโตขึ้นมา จากครอบครัวของคริสเตียนและได้แสวงหาหน้ำมันไทยของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในชีวิตเมื่อผ่านโค้งต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเจอวิกฤตต่างๆของชีวิตแล้วอธิษฐานทูลขอคำตอบจากพระเจ้าแน่นอนครับผมเชื่อแน่ว่าหลายท่านมีประสบการณ์ที่พระเจ้าเปิดประตูเปิดประตูอีกประตูหนึ่งครับ ที่เราไม่ได้ขอนะครับให้เราพบกับเหตุการณ์หนึ่งหรือใครบางคนที่เราไม่เคยคิดถึงให้เราได้รับคําตอบนะครับในคําตอบแลยายเรื่องที่เราขอไว้แต่ว่าด้วยความแปลกประหลาดด้วยความอัศจรรย์จ ร, จริงๆเข้าใจมครับเราจะต้องเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณสําหรับประตูที่ไม่ได้เปิดออกเราจะต้องเรียนรู้ในการขอบพระคุณสําหรับ สิ่งที่เราหานะครับแต่ไม่ได้สมหวังตามที่หาเราจะต้องเรียนรู้ว่าเราต้องขอบพระคุณในสิ่งที่เราขอแล้วยังไม่ได้และได้สิ่งที่ไม่ได้ขอซึ่งดีกว่ามากนะแต่ก่อนที่จะได้คําตอบที่ดีกว่ามากนะอาจจะทั้งอาจจะบางครั้งต้องใช้เวลาอาจบางครั้งต้องรอคอยอาจบางครั้งต้องอดทนแต่เมื่อเรามีประสบการณ์ แล้วเราผ่านกระบวนการอดทนผ่านกระบวนการรอคอยและเราได้เห็นถึงประตูที่เปิดออกคําตอบที่มาถึงเราพี่น้องครับเราจะขอบพระคุณพระเจ้าเราจะขึ้นชุมินดีครับเรารู้และเรามั่นใจว่าพระเจ้านําหน้าเราอยู่นําหน้าชีวิตของเราทําให้เราขอบพระคุณพระเจ้าได้เรารู้ว่าพราะองค์นั้นทรงสักพันอยู่พระองค์รู้แจ้งทุกสิ่งรู้ล่วงหน้าและรู้ดีที่สุด และรักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองพี่น้องครับหลายครั้งพระเจ้าตอบว่าไม่หรลอคอยก่อนครับเราจะขอบคุณพระเจ้าได้หรือเปล่าครับเมื่อเราแสดงหาของเรานะครับในทางของเราด้วยวิธีการของเราด้วยความสามารถของเราด้วยการตั้งเป้าหมายของเรานะครับดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดครับแต่คำตอบของพระเจ้ามาแล้วทุกอย่างจบครับทุกอย่าง เรารู้ว่าดีที่สุดสำห ร, รับเราเราจะสันสนประชาได้พี่น้องครับในข้อที่แปดถึงข้อที่สิบเ็นั้นเราได้พบความจริงที่พระเยซูได้ทรงยกเป็นตัวอย่างนะครับในข้อที่เก้าได้บอกว่ามีใครในพวกท่านที่จะเอาก้อนหินให้ลูกของตัวเองเมื่อเขาขอขนมปังแน่นอนครับเรามีลูกเรารักลูก ลูกขอขนมปังเราคงไม่ให้คอนหินแน่นอนอันนี้เป็นคอมมอนเซนส์นะครับได้ในข้อที่สิบได้พูดว่าถ้าลูกขอปลาเราจะให้งูหรือแน่นอนครับเราไม่ให้งูครับนี่เป็นคอมมอนเซนส์เหมือนกันนี่เป็นตัวอย่างของพ่อที่อยู่ในโลกแต่ในข้อที่สิบเอดครับบอกว่าถ้านางหลายที่เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ บ, บุตรของตนยิ่งกว่านั้นแต่เจ้าใดคุณพ่อ หรือพบิดาบนสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ของดีตรงนี้นะครับมีความหมายว่าของที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเพียงพอตามความต้องการที่สุดพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงรักเราผู้ที่เราเรียกว่าคุณพ่อเตรียมให้กับเราเรียบร้อยแล้วครับและเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะประทานของดีนั้น ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับสหรับเราลงมานะครับเรามีพระวิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ครับพระองค์เป็นอย่างไรคนที่เป็นพ่อทุกคนก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันพระเยซูตรัสว่ายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระเจ้ามีความปรารถนาที่จะประทานของดีนะครับผมขอวงเล็กตรงนี้ว่าของดีที่สุดให้กับลูกของพระองค์ มากยิ่งกว่าผู้ที่เป็นพ่อฝ่ายโลกของเราเพราะฉะนั้นความคิดในเรื่องพระเจ้าของเด็กๆนะครับก็คือข้อเปรียบเทียบระหว่างพ่อที่เป็นพ่อฝ่ายโลกกับพระเจ้านะครับพ่อฝ่ายโลกเนี่ยเด็กมองเห็นได้ครับพระเจ้าเด็กมองไม่เห็นแต่พระเยซูกำลังเปรียบเทียบว่าคุณมองดูสิพ่อฝ่ายโลกเนี่ยยังให้ของดีที่สุด กับลูกของตัวเองและพระเจ้าคุณพ่อบนสวรรค์ น, นั้นจะไม่ให้ของดีๆีสุดของพระองค์ให้กับลูกก็คือพวกเราเชียวหรือยงครับถ้าเราทั้งหลายซึ่งไปเบลาีรามารดาครับได้ไขควรววพิญญาอย่างลึกซึ้งถึงคำสอนนะครับของพระเยซูในคาเทศนาบนภูเขานี้และนำมาปฏิบัติในการดนเนินชีวิตนะครับลูกของเราจะเข้าใจดีครับ และเมื่อลูกของเราเข้าใจดีและประทับใจในตัวเราลูกของเราจะประทับใจในพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันลูกของเราจะรู้และเข้าใจว่าพระเจ้าพระบิดานั้นทรงมีลักษณะเป็นเช่นไรถ้าชีวิตของเราที่สัมผัสพระเยซูแล้วคนอื่นๆจะเห็นนะครับพระเยซูในตัวของเราเพียงครับในข้อสิบสองเป็นข้อที่สำคัญที่พระเยซูตรัสถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นครับว่าจงปฏิบัติ ต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั่นคือธรรมบัญญัติและคําสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพจะนะพระเยซูสอนนะครับในพระคุมพีพระกิตติคุณอีกที่หนึ่งบอกว่าถ้าท่านตวงให้เขาด้วยขณะนั้นใดพระเจ้าจะตวงท่านด้วยขนาะ น, น, นั้นนั่นหมายความว่าเรากําลังนะครับใช้มาตรฐานอะไรวัดคนอื่นตัดสินคนอื่น ทำอะไรให้กับคนอื่นนะครับปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรพระเจ้าจะใช้พันฐานนั้นในการปฏิบัติต่อเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราหลอกพระเจ้าไม่ได้เราอาจจะหลอกมนุษย์ได้ว่าเราทําดีอย่างนู้อย่างนี้แต่ถ้าทีในใจของเราอาจจะไม่ดีอาจจะมีผลประโยชน์อาจจะมีอะไรทับซ้อนอยู่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราซ่อนไว้ไม่เห็นแรงจูงใจที่แท้จริงของเราพี่น้องครับเราต้องสารภาพ เราต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราและเราต้องขอพระเจ้าให้เราปฏิบั ต, ติต่อคนอื่นอย่างที่เราปรารถนาให้คนอื่นปฏิบั ต, ติต่อเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องชาวทุกท่านในวันนี้อามน